เมื่อไรก็ตามที่เรามีการพยายามที่จะตั้งสติขึ้นตัระวังเมื่อนั้นแหละคือเวลาที่เราจะปฏิบัติทําได้ในขณะนี้ก็เหมือนกันเราได้ยินเสียงเป็นเสียงวิทยุหรือว่าเสียงระฆังหรือว่าเสียงไก่ขันหรือว่าเสียงอะไรก็แล้วแต่ได้ยินเสียงแล้วพยายามตั้งสติขึ้นอาจจะเป็นเสียงคนข้างเสียงคนเพื่อนบ้านเสียงการจราจรได้ยินเสียงแล้วให้พยายามตั้งสติขึ้น เพราะว่าสติที่ตั้งขึ้นนั้นมันจะทําใจของเราให้มั่นคงมันจะทําใจของเราให้ดีอยู่ได้ตรงนี้แหละคือการปฏิบัติธรรมต็มฝังการปฏิบัติธรมไม่ได้จาเป็นจะต้องรอว่าคุณจะต้องมาวัดไม่ได้เป็นจะต้องรอว่าจะต้องเงียบๆไม่ได้จะเป็นจะต้องเฉพาะเวลาเช้าหรือเวลาเย็นก่อนนอนหรือว่าก่อนตื่นให้ก่อนตื่นมันปฏิบัติทําได้หรือเปล่าก่อนตื่นทํำไมจะปฏิบัติทําไม่ได้ปฏิบัติได้ทุกเวลานั้นแหละอยู่ที่ว่าเรามีสติหรือไม่ เราพยายามที่จะตั้งสติขึ้นความพยายามนั้นเป็นสมาวายมะสติที่ตั้งขึ้นก็เป็นสัมมาถสติเกิดขึ้นได้แต่ว่าประเด็นคือตรงนี้จำว่า ง, งแม่พยายามพยายามที่จะตั้งสติขึ้นแต่มันก็ยังตั้งขึ้นไม่ได้เหมือนเด็กน้อยพยายามที่จะเดินพยายามที่จะเดินเอาก็คลานก่อนอแม่จะคลานต่ตอแตะต่อแตะนี่มันก็ยังยากเขาก็ต้องพยายามใช่ไหมพยายามพยายามบางที Driver. มันก็ยังไม่ได้แต่ความพยายามของเรามันจะสําเร็จผลเร็ว หรือสำเร็จผลช้าแต่คือถ้าเราพยายามถูกเนี่ยทำฟังมันได้อยู่แล้วละ่ะนั่นพระเจ้าได้เคยเปรียบเทียบไว้เหมือนกับคนที่รีดนมจากแม่โคนมที่เพิ่งคลอดลูกออกมาเนี่ยยังไงก็ต้องได้นมแต่หมายความว่าต้องรีดจากนมมันนะอย่าไปรีดจากเขารีดจากเขานี่ยังไงก็ไม่ได้แต่ถ้ารีดจากนมวัวแต่ก็ไม่ใช่วัวตัวผู้นะวัวตัวผู้มันไม่ได้นมมันได้อย่างอื่นแต่ถ้าวัวตัวเมีย แล้วก็ต้องเป็นบัวตัวเมียที่พึ่งคลอดลูกออกมาด้วยยังไงให้คุณก็จะต้องได้นานมแต่คือถ้าทําความเพียรอย่างถูกต้องยังไงก็จะต้องได้ผลแต่นี่เรากำลังพูดถึงการทําอย่างถูกต้องนะการทําอย่างถูกต้องเพราะอการทําอย่างถูกต้องแล้วการที่มันจะได้ผลเร็วหรือว่าการที่มันจะได้ผลช้าเนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าคุณมีอินทรีย์แก่กล้าหรือไม่ซึ่งเรื่องของอินทรีย์แก่กล้ามันก็เกิดจากการที่คุณปฏิบัติถูกปฏิบัติถูกแล้วมันก็ไปเพิ่มศรัทธา ปฏิบัติถูกแล้วสมาธิก็เกิดปฏิบัติถูกแล้วสติก็ตั้งมั่นขึ้นได้ปฏิบัติถูกนั่นก็คือมีสัมมาวายามะปฏิบัติถูกดูให้เห็นให้จำแจ้งปัญญาก็มีเพร็นศรัทธาวิริยาสติสมาธิปัญญา5อย่างเนี้ยซึ่งเป็นองค์ประกอบของความที่เราจะบรรลุได้เร็วหรือบรรลุได้ช้าเนี้ยมันก็มาเกิดมาจากการที่คุณทำความเปลี่ยนย่างถูกต้องตามความเพี่ยนยังถูกต้องอินสียห้ามันก็ค่อยแก่กล้าขึ้นแก่กล้าขึ้น จนแก่กล้ามีความเข้มแข็งมีพลังใจเต็มเปี่ยมเต็มที่แล้วก็ได้ผลอย่างเต็มที่ถ้ามีความแก่กล้ามีกําลังใจบานกลางเราก็ได้ผลอย่างกลางๆงเพราะนั้นเจ้าอินทรีย์5อย่างในอินทรีย์เนี่ยหมายถึงกําลังความเป็นใหญ่ความเป็นใหญ่ของจิตที่จิตนี้จะบรรลุทําได้รู้ซึ่งถึงทำมาได้ก็คือเจ้าอินทรีย์หอย่างนี้แหละคือศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาเราจะเพิ่มตรงนี้ได้ ก็ทําอยู่อย่างสม่ําเสมอทําอยู่อย่างไม่ขาดระยะทำอยู่อย่างเต็มที่ในการกระทามันก็จะเพิ่มสติเพิ่มศรัทธาเพิ่มสมาธิและเพิ่มปัญญาไปตรงนั้นท น, นี้การปฏิบัติที่จะให้ถูกทางเพื่อที่จะเพิ่มอินทรีย์ของเราให้มีความแก่กล้าเนี่ยไอ้ที่ว่าปฏิบัติถูกปฏิบัติถูกตรงนี้มันก็จะมีเครื่องมาขวางและให้เราเป๋เฉ๋ฉายไปในทางที่มันไม่ใช่ทางอุปสรรคอันหนึ่งที่ผู้ปฏิบัติตั้งหลาย จะพบเจอกันมากแม้แต่โพธิสัตว์ของเราพระบุตรของเราตอนก่อนที่จะตรัสรู้เนี่ยตอนเป็นโพธิสัตว์แล้วก็ถูกอุปสรรคเรื่องนี้มาคอยกวนอยู่นั่นคือเรื่องของความคิดในต่าง ก, รรม ก, กามกอไกยสระมอาโมมา ก, กาามอไกย์สลาโมมาที่แปลว่าความสุขที่เกิดขึ้นทางตาทางหูจมูกลิ้นและกายเรื่องของกามเนี่ยอาจจะมากวนใจเราเวลาที่เราพยายามที่จะตั้งสมาธิพยายามที่จะตั้งจิขึ้น เวลาที่เราพยายามจะตั้งสมาธิตั้งจิตขึ้นให้มันแน่วแน่แนแนมีอารมณ์อันเดียวเนี่ยเดี๋ยวมันไปคิดเรื่องอื่นความคิดเรื่องอื่นนั้อาจจะเป็นเรื่องดีก็ได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเป็นความคิดในเรื่องที่เป็นไปในทางกามอันนั้นเริ่มไม่ดีละเพราะว่ามันจะทําให้เกิดนิวรณ์คือเครื่องกางกันได้แต่ถ้าจิตของเรามีความคิดในทางกามความคิดในทางพยาบาทหรือความคิดในทางเบียดเบียนเนี่ยไอ้สอย่างนี้มันก็จะแปลพันผสมกันใส่ไส้กวนกันมาอย่างดีออกมาเป็นนิวรณ์ เดี๋ยวออกมาเป็นง่วงบ้างเดี hmm. ๋ยวได้ออกมาเป็นฟุ้งซ่านบ้างเดี๋ยวได้ออกมาเป็นความพยายามบ้างไม่พอใจบ้างอยากได้อันนี้ไม่ได้นี่ได้อย่างอื่นไม่พอใจล่ะมันก็ออกมาเป็นนิวร์ต่างๆมีความคิดในทางการพยาบาทเปลียนเดี๋ยวมันกลับผสมกันออกมาแกลายเป็นความเครือบแคลงความระแวงความเห็นแย้งไปนิวร์นี่ก็เป็นผลจากการที่เรายังปฏิบัติไม่ถูกแต่จะมีความคิดในทางการพยาบาทเปลียนๆบ้างใน3ความคิดที่มันไม่ดีเนี่ยความคิดเรื่องการตรงนี้แหละ ที่มันจะมาคอยกวนถ้าเปื่อเราไปใส่ความคิดเราไปคิดเรื่องนี้มากๆจิตเราจะน้อมไปในอาการอย่างนั้นอย่างนั้นถ้าเราไปใส่ความคิดอย่างมากในเรื่องของกามะจิตเราจะน้อมไปอย่างนั้นพอจิตมันน้อมไปอย่างนั้นมันก็มีนิวรณ์มีเครื่องกลางกั้นเกิดขึ้นแต่ใจเราก็จะตั้งเป็นสมาธิไม่ได้แล้เรามาทําความเข้าใจไอ้คําว่ากามตรงนี้สันิดหนึ่งว่าเวลาที่กามเนี่ยมันจะมากั้นจิตของเรามันทํางานยังไงอันดับแรกทําความเข้าใจสันิดหนึ่งว่า ภาษาทั้งหลายที่มากระทบในทางตาทางหูจ ม, มูกลิ้นและกายเอาแค่ภาษาภายนอกป่ะสิ่งที่มากระทบอย่างเช่นหูนี่ก็มีแค่เรื่องของเสียงสิ่งที่มากระทบตานี่ยก็มีแค่เรื่องของรูปใช่ไหมสิ่งที่มากระทบลิ้นนั่นก็คือเรื่องของรสรสของอาหารสิ่งที่มากระทบกายก็เป็นสัมผัสเนี่ยมันอาจะเป็นโต๊ะเก้าอี้สัมผัสทางกายต่างๆ่างเชิงสัมผัสที่มาเป็นช่องทางเนี่ มันก็จะมาในรูปแบบสิ่งของสิ่งของสวยๆงานที่คุณเห็นได้กับทางตาเสียงเพราะๆที่คุณได้ยินได้กระทางหูอาหารอะไรที่ชุนชิมได้กระทางลิ้นมันจะมาเป็นรูปแบบอย่างนีน้เพราะฉะนไอ้สิ่งที่มากระทบที่ทําให้เรามีความสุขความสบายแต่ความเพลิดเพลินยินดีเนี่ยเอาสิ่งภายนอกก่อนนะสิ่งที่มากระทบภายนอกตัวนี้ก็เรียกวัตถุกรมแต่คือวัตถุที่จะทําให้เกิดความเกื้อเกลืมได้วัตถุที่จะทําให้เกิดความลุ่มหลงได้ น, นี้จะมาในทุกรูปแบบอย่างที่พูดไปไม่ว่าจะเป็นรถอาหารอร่อยๆเสียงดนตรีเพระระหรือว่าเสียงเขาพูดจมเรายกย่องเราหรือว่ารูปสวยๆสิ่งงดงามผ่านมาทางตาแต่สัมผัสดีๆทางกายอาหารอร่อยๆ อ, อ, อาหารชนิดที่เรียก ว, ว่ามีความประเสริฐมีความประณีตเนี่ยนะมันผ่านมาแล้วนะี่มันก็จะรับรู้เข้ามาทางนี้อันนี้ก็จะเป็นวัตถุที่ทําให้เกิดความเพลิดเพลินได้เนะ่ซึ่งแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันเนยะเช่นเรื่องของอาหารเนี่ย บางคนก็ชอบอาหารประเภทหนึ่งเนี่ยบางคนชอบอาหารอีสานเนี่ยพระมีอาหารอีสานมาแม่มันทําให้เกิดความเพลิดเพลินลุ่มหลงได้บางคนก็ชอบอาหารฝรัง่งแต่ถ้าเป็นอาหารอีสานมาก็ไม่อาจจะทําให้เกิดความเพลิดเพลินได้ไม่ชอบอาจจะถึงขนาดทำให้เกิดความไม่พอใจด้วยซ้ําำตรงกันข้ามไปทางโ น, น, น้นกินเหลมก็กินหัวอีกทางนน้นฝั่งนน้นคือดฝั่งที่เป็นความกัดเขืองเพราะฉะนั้นในเรื่องของการตรงนี้นะความหยาบความประณีตนี้ไม่เท่ากันแต่ละคนมีไม่เท่ากัน บางคนชอบของที่ประณีดบางคนชอบของที่ไม่ค่อยประณีตก็แล้วแต่อันนี้เป็นไปในเรียกว่าเป็นวัตถุการรมสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นนะคู่กันเมื่อไราก็ตามที่มีวัตถุกรรมที่เกิดขึ้นมาจากเป็นสิ่งภายนอกมากระทบถ้าใจของเรามีก็เรียกว่ากิเลสกรรมกิเลสกา ร, รมนั้นก็หมายถึงความลุ่มหลงความเบลิดเพลินความเคลือบเคลิ้มที่เกิดในภายในที่เกิดกับอะไรเกิดกับสิ่งที่มากระทบ เกิดที่ไหนเกิดในภายในเราจะไปฟังลองพิจารณาดูดีมีมีสส่วนส่วนที่มากระทบภายนอกในที่นี้เราเรียกว่าวัตถุกรรมก็คือสิ่งที่สวยงามสิ่งที่ทําให้เกิดความลุ่มหลงได้เรียกว่าวัตถุกรรมเป็นสิ่งภายนอกมากระทบอาหารดีๆชื่อเสียงเกียรติยศพวกนี้มากระทบได้อันนี้ก็เป็นวัตถุกรรมแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นในภายในแต่ถ้ามีวัตถุการมมากระทบแล้วอาจจะเกิดกิเลสกรรมขึ้นในภายในได้ กิเลสกรรมที่เกิดขึ้นในภายในนี้คือความลุ to, ่มหลงในวัตถุนั้นความลุ่มหลงในวัตถุนั้นตรงนี้แหละท่านฟังที่เราเรียกว่ากามความลุ่มหลงในวัตถุที่มากระทบตรงนี้แหละที่เราเรียกว่ากิเลสกรรมความลุ่มหลงที่เกิดขึ้นจากวัตถุที่มากระทบความลุ่มหลงที่เกิดขึ้นในภายในตรงนี้แหละที่มันจะมาเป็นอุปสรรคที่ทําให้ชีวิตของเรามีปัญหาได้ปัญหายังไงเอาปัญหาแค่ว่าเราจะนั่งสมาธิแต่มีความคิดในทางกรรมยังไม่ได้สัมผัสเลยด้วยซ้ํา ยังไม่ได้เห็นเลยด้วยซ้ําแค่คิดเฉยๆให้ความคิดเฉยๆเนี่ยก็เรียกว่าการมาสัญญาแต่คือยังไม่ได้มีสัมผัสทางหูมากระทบเลยไม่ได้มีใครเล่นเพลงให้เราฟังเปิดเพลงให้เราฟังแต่ใจมันคิดไปนในทางเพลงใจมันคิดถึงเนื้อเพลงตรงนี้ใจมันคิดถึงคนที่เขาจะพูดดีๆกับเรามาเกิดการมาสัญญาแล้วนะคือ ก, การมาสัญญาแล้วถ้าเรามีความเคลื่อนเคลืมไปตามสิ่งนั้นอันนี้แหละตะบุฟังมันจะทํานิวัณให้เกิดขึ้น มันจะทําให้จิตของเราไม่เป็นสมาธิมันจะทําให้จิตของเราวิ่งบุ้นไปทําให้จิตไม่เป็นอารมณ์เดียวพอจิตไม่เป็นอารมณ์เดียวมานได้ช่องตรงนั้นทันทีนะฟังมาจะได้ช่องในการที่จะลากดึงพาจิตของเราไปตามที่ที่มันต้องการแน่นอนที่ที่มันต้องการให้เราไปเนี่ยมันไม่ได้เป็นที่ที่จะดีหรอกมีแต่เป็นที่ที่จะต่ํามาเนี่ยเวลาที่มันเห็นใครไม่ได้ดีมันดีใจนะพระเจ้าจึงเรียกว่าเกือบู้ล้างผลานความดี แต่วความดีมีที่ไหนมันต้องการล้างพลานไปหมดเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่เราตกไปในกับดักของมารเราก็จะเป็นผู้ที่ถูกมารลากถูกไปในทางที่จะไม่มีความดีความงาบเกิดขึ้นกรรมนี่แหละท่านฝังกรรมเป็นกับดักของมันกามเกิดขึ้นที่ไหนนเกิดในใจเกิดกับอะไรเกิดกับวัตถุกรรมที่จะมากระทบได้เกิดในอะไรเกิดในกา ม, มาสัญญาก็ได้แต่คือบางคนอาจจะยังไม่ได้วัตถุกามมากระทบเช่นว่า ฉัอยากได้โทรศัพท์เครื่องใหม่แม่แต่ว่ายังไม่ได้หรอกนะยังไม่มีเงินซื้อแต่มันยากอยากยากอยากอยากได้มากเลยแต่มีความลุ่มหลงในสิ่งที่ตัวเอง ย, ยังไม่มีด้วยซ้ํายังไม่ได้มีวัตถุกรมมกกรมและมีกิเลสกามเกิดขึ้นในใจแล้วมันลุ่มหลงในสิ่งที่ตัวเองแม่ก็ยังไม่มีแต่มางคลอยากได้ยศอยากได้ตําแหน่งยังไม่ได้หรอกไอ้ยศไอ้ตําแหน่งเนี่ยแม่แต่เขาเอามาล่อคุณปีนี้น่าจะได้นะแม่เราก็ลุ่มหลงไปแล้วลุ่มหลงไปในสิ่งนั้นแล้ว เราก็ชื่อว่าตกลุมพรางละ่ะตกหลุมพรางของมารนแต่มันจะสามารถกุมหัวใจเราได้ทันทีกามเนี่ยมันอยู่ในใจของเราแต่ใจของเราเนี่ยเป็นตัวสั่งปากเป็นตัวสั่งกายแต่ถ้าใจถูกรัดรึงรัดกุมถูกจับเอาไว้ด้วยกามแล้วเนี่ยมันมันทำได้ทุกอย่างแต่ปากจะขยับไปอย่างนี้แหมเขาจะให้ตําแหน่งเราก็จะให้เงินเราพูดดีพูดดีกับเจ้านายเนี่ยถึงแม้เจ้านายมันจะเป็นคนชั่วก็ตาม เราก็ยังคบกับเขาเนื่องจากถูกกรารรุมเร้ารัดรึงหัวใจอยู่มันก็จะพาจิตของเราไปทุกที่ทุกทางได้แต่พอจิตไปตามมันแล้วกลายวาจาปุ๊บเป็นท่าของมันทันทีเพราะฉะนั้นไอ้กามที่มันจะเกิดขึ้นรัดรึงในใจของเราชื่อของมันคือกิเลสกามหรือเรียกกรารเฉยเฉก็ได้ัเกิดในปายไหนเกิดจากเวลาที่เรามีวัตถุกราร์มากระทบเกิดจากเวลาที่เรามีกรารมสัญญาในเกี่ยวกความคิดในทางกราร์เกิดขึ้นซึ่งพระพุทธเจ้าตอนนั้น น, ะนั่เป็นโพธิสัตว์อยู่เป็นโพธิสัตย์เนี่ยตอนนั้นออกบวชแล้วนะออกบวชแล้วกคนผมแล้วนุ่งห่มผ้าปอนปอนไม่มีชายไม่มีความสุขไม่มีวัตถุ ก, การมใดๆที่จะเกิดขึ้นอาหารก็ไม่ได้อาหารเลิศรู้เหมือนพระราชาเหมือนเจ้าชายกินก็เป็นอาหารบิณทบาตทเสื้อผ้าเครื่องประดับของเจ้าชายของกษัตริย์ก็ไม่มีก็เป็นการห่มผ้าปอนปอนไม่มีชายที่อยู่ก็อยู่ตามเล้าป่าอยู่ตามโคนไม้ไม่ได้อยู่ประสาทราชวังเพราะฉะั้นวัตถุการมเนี่ย มันมันแทบจะหาไม่ได้เลยคือไม่มีเลยแต่ใจอันนี้คือบระพุทธเาพูดเอาไว้เล่าให้ฟังว่าตอนเป็นโพธิสัตว์เนี่ยใจเนี่ยถ้าจะมีความระลึกมันน่าจะมีความระลึกไปในทางกลามได้แล้วก็เรียกว่ากลามสัญญาระลึกคิดถึงนึกถึงความสุขที่เราได้เคยได้มาจิตเนี่ยเวลาจะน้อมไปเวลาเราจิตเรามันจะน้อมไปเป็นธรรมชาติแม้แต่ตัวพระองค์เองก็เป็นแต่จะน้อมไประลึกถึงความสุขทางตาทางหูทางกลามเนี่ย ที่เราเคยได้รับมาในอดีตะบายครั้งจะเป็นอย่างนั้นน้อยครั้งที่จะเพลิดเพลินในความสุขทางกามที่เป็นไปในปัจจุบันหรือเป็นไปในอนาคตโดยช่วงยิ่งผู้ที่ปฏิบัติธรรมอยู่เป็นประจำเนี่ยไอ้ความสุขที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยเราก็พอจะหักห้ามใจได้บ้างเพราะว่าเรามีการปฏิบัติอยู่เรามีสติคุมอยู่อนาคตนี่ยมันก็ยังไม่เกิดยังไม่มีแต่สิ่งที่จิตมันจะน้อมไปโดยบ่อยครั้งจะเป็นเรื่องของความสุขที่ผ่านมาแล้วในอดีต ที่เราได้รับมาแล้วแล้วมันก็ล่วงไปแล้วเพราะความไม่เที่ยงของมันตัวอย่างของพรุชาวก็คือว่าเป็นเจ้าชายมาก่อนอยู่ในรั่วในวังมีความสะดวกสบายทุกอย่างแต่ว่าเสื่อมหายไปลนะเพราะสิ่งนั้นไม่เที่ยงตัวเองออกบวชก็ไม่ได้เห็นจริงใ น, นอีกต่อไปนะแต่ก็ยังคิดอยู่เรื่อยนะคิดถึงลูกด้วยคิดถึงเมียด้วยจิตก็จะน้อมคิดถึงความสุขต่างๆแลนะจิตน้อมไปในทางนั้นเป็นส่วนมากแต่นะเปรียบเทียบกับ อดีตอนาคตปัจจุบันความสุขในทางอดีตจะน้อยไปมากกว่าเพราะเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วนี่ยมันก็จะเกิดเครื่องกลางกันต่างๆในใจทําใจให้ไม่เป็นอารมณ์เดียวนี่คือเฉพาะเรื่องของความคิดนะท่านฟังเรื่องของความคิดที่เป็นไปนในทางกลางท่านั่นเองคืออย่างในกรณีนี้เนี่ยก็คือวัตถุการมไม่มีใ น, นตัวอย่างของปุริชาวัตถุการมไม่มีแต่การมตสัญญายังมีอยู่กิเลสกรรมยังมีอยู่ เราไม่ต้องพูดถึงหลายคนที่ยังมีวัตถุกรารมอยู่เนี่ยยังจมอยู่ในวัตถุกรารมไอ้ความลุ่มหลงมันเกิดขึ้นในปัจจุบันก็ได้แต่ก็จะมากด้วยซ้ําแล้วถ้าพบว่ามีความลุ่มหลงในวัตถุกรารมทีม่เป็นในตางปัจจุบันมากเหมือนอาจจะปรุงแต่งไปในวัตถุกรารมที่อาจจะได้มาในอนาคตอีกต่างหากเพราะฉะนั้นการที่เราจะหลีกออกจากกรารมบ้างนั้นจึงเป็นการดีเป็นสิ่งดีการหลีกออกจากกรรมเนี่ยก็หมายถึงทั้ง2 อ, อย่างคือทั้งวัตถุกรรม ทังกิเลสกรรมคือถ้าทางกายมีวัตถุกรารมอยู่เยอะแยะเช่น อ, อาหารดีๆ ด, ด, ดนตรีเพราะๆตัวนี้จะเป็นที่ต้าความประมาทได้เราจะไปรุ่มหลงตัวนี้ได้ก็หลีกออกบ้างแล้วหลีกออกบ้างหลีกอาอในที่นี้แต่ก็หมายความว่าถ้าเป็นคารวาสคุณอาจจะมีบ้านอยู่คุณอาจจะมีรถอยู่คุณจะมีเครื่องอำนวยความสะดวกอะไรต่างๆอยู่เยอะแยะอันนี้คุณก็มีได้มีไปแต่ความคิดในการที่จะหลีกออกจากมันแต่ทั้งทา ง, ท ง, ทงด้านวัตถุด้วยทั้งทางด้านกิเลสด้วย ก็ควรจะต้องมีแล้วเีออกเช่นยังไงบ้างแต่เช่นว่าเออเราก็ไม่ใช้มันบ้างหยุดบ้างเราฟังเพลงเพราะๆเ อ, อ้าคุณก็หยุดฟังเพลงเพราะๆบ้างคุณกินอาหารเลิศหรูดีๆตามใจอยากตื่นขึ้นมาทําปากเจ็บๆวันนี้จะกินอะไรดีก็ตามไปเอาก็หยุดบ้างก็หยุดบ้างหรือว่าไปเที่ยวดูหนังดูการละเล่นชอปปิ้งตรงนั้นตรงนี้เอาก็เพลาๆลงหน่อยหยุดลงหน่อยยังมีความคิดในการที่จะ หลีกออกจากตรงนั้นบางนั้นหลีกออกในที่นี้ไม่ได้หมายว่าทิ้งไปเลยนะคือถ้าบางคนยังทิ้งไม่ได้ก็ทิ้งไม่ได้ล่ะคนที่ทิ้งไม่ได้ก็ทิ้งไม่ได้จะให้ทํายังไงแล้ก็ต้องมีแต่ขอให้หลีกออกบางหลีกออกจากวัตถุกรมตรงนั้นบางเรื่องในใจคือบางคนถ้าหลีกออกได้แล้วแต่ใจล่ะใช้ทํายังไงให้กิเลสการเมื่อมันออกไปแล้วก็ต้องทําให้ถูกเรื่องของการปฏิบัติเรื่องศีนสมาธิปัญญาทําไม่ถูกทําไม่ดีทําไม่ได้ทีนี้บางคนเนี่ยมีความคิดที่จะพยายามจะหลีกออกทางทางด้านวัตถุกามด้วย หลีกออกทั้งทางด้านกิเลสการมโดยความคิดอันนี้ดีแต่ถ้าเราคิดไข้ครวนไปตรงนี้คิดไข้ครวนไปเรื่อยๆเนี่ยจิตมันจะน้อมไปในการที่จะหลีกออกจากการมละพอจิตมันน้อมไปในการที่จะหลีกออกจากการมกับดักต้นหนึ่งมันจะมีได้แต่สำหรับกรวาธผู้ที่ปฏิปธรรมคือความที่ไม่ยินดีในวัตถุต่างๆนะนรัาเจ้าเคยได้ยินผู้ปฏิปธรรมผู้หนึ่งแต่ที่ทางบ้านเนี่ยก็ค่อนข้างจะมีฐานะดีเหมือนกันแต่ก็บอกบอกว่าโอ้ไม่ยินดีเลยในการที่ป้านมีฐานะดีมีฐานะดีมีเครื่องยั่วยวนมาก Или มาย ทําใจให้แบบว่าหลงไปได้เราก็เลยคิดว่าจะปฏิเสธสิ่งลนั้นทั้งหมดมีความไม่พอใจในทรัพย์สินเงินทองข้าวของต่างๆที่เรามีเอามันก็ถูกกิเลสฟาดกลับไปทางนั้นอีกโดนถูกกิเลสรูปรัตไปในทางที่ไม่พอใจซึ่งอันนี้ก็ต้องระวังแต่สำหรับผู้ที่มีความคิดในทางรีออกจากการมากๆอันนี้ดีอยู่แล้วนะเพนกวัตสติเราก็ต้องควบคุมให้มันดีมีมากขึ้นด้วยเรื่องของความคิดในทางกาลางจะที่ทําให้เกิดกิเลสกลามได้ เรื่องของวัตถุก ร, รมที่จะทาให้เกิดกิเลสกรรมได้ตรงนี้ไม่ใช่ว่ามันจะมีแต่โทษที่พูดมาเนี่ยมันมีแต่โทษของมันเยอะแยะไปหมดนะประโยชน์ของมันมีไหมนะก็ต้องทําความเข้าใจว่ามันก็มีอยู่แต่มีอยู่น้อยมากมาปนจะเบรบทียบปิดโทษของมันแต่นะคือความสุขนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการที่เรามีสิ่งสิ่งนั้นเนะช่นบางคนมีความคิดในทางการมมีแล้วนะกามรมสัญญามีแล้วแมให้คิดว่าจะต้องเป็นอย่างงั้นอย่างนี้จะสบายใจไปละนิดหนึ่งตรงนั้นเท่านั้นเองนะ หรือบางคนมีวัตถุกรรมแม่ฉันได้สิ่งนี้มาแล้วขนะับรถอย่างนี้แล้วอยู่บ้านอย่างนี้แล้วมีเงินเท่านี้แล้วมันก็สบายใจขึ้นตรงนั้นหน่อยหนึ่งตอนนั้นเองนะแต่นะไม่ว่าจะเกิดจากวัตถุการมหรือการมาสัญญาก็ตามมันจะมีความสบายใจหน่อยหนึ่งตอนนั้นเองแต่ว่าความทุกข์ที่มันตามมาเนี่ยมีมากมายแน่นอนละสมาธิไม่ได้ละเพราะว่ามันเพลินไปแล้วมันหลงไปแล้วแล้ ม, มันมัวเม า, าไปแล้วเพลินหลงมัวเมาตรงข้ามกับสมาธิมากๆ เลินหลงมัวเมาตรงข้ามกับนิพพานมากๆไหนมีความสุขไหมตรงนั้นมีอยู่แต่นิดเดียวไหนมันตรงข้ามกับนิพพานซึ่งมีความสุขไหมมีมีอยู่มากด้วยเพราะอะไรความทุกข์มันไม่มีตรงนั้นถามว่าไอ้ความสุขทางการมีอยู่ไหมความสุขมีอยู่นิดเดียวเพราะอะไรเพราะความทุกข์มันมากความสุขมันมีนิดเดียวเพราะว่าความทุกข์ที่มันตามมาเนี่ยมันเยอะในนิพพานเนี่ยมีความสุขมากเพราะว่าความทุกข์ที่มีมาด้วยเนี่ยไม่มีอยู่ เราจะวัดสุขได้คุณก็วัดจากทุกก็ได้คุณจะวัดว่ามีอันไหนมีความสุขมันมากคุณก็วัดจากความทุกขมันน้อยหรือเปล่าแล้วนะดูอย่างกามาสุ ข, นะคสขค่ความสุขที่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายความสุขที่เกิดจากวัตถุกรรมความสุขที่เกิดจากการมาสัญญาพวกนี้นะความสุขมีนิดเดียวความทุกข์มีมากเอดูดแลดิดลุกคิดกดเครื่องคิดเลขรับไม่คุมมค้มกันไม่คุ้มกันเียแต่ความสุขที่เกิดจากความสงบระงับความสุขที่เกิดจากความรู้ยิ่งความรู้พร้อมความสุขที่เกิดจากความเย็น ความสุขที่เกิดจากความไม่มีความทุกข์ความสิ่งที่เป็นทุกข์เนี่ยไม่มีเลยนะน้อยมากแต่ความสุขก็จึงมากมายมห ah าศาลแต่ความทุกข์ของเจ้าเรื่องของกรรมที่มันจะมากรุ่มรุมอย่างที่ว่าไปเนี่ยแหละมันจะลากปากของเราไปมันจะลากกายของเราไปในทิศทางที่มันต้องการได้แต่ไม่ใช่ตัวเราคุมแต่ถูกคนอื่นคุมแต่ถ้าเป็นความสุขที่เกิดจากในภายนาในเมื่อใดก็ตามที่เราละวางไอ้เจ้ากามแต่เรามีความคิดที่จะหลีกออกจากความสุขทางตาทางหูตรงนี้ การควบคุมจากภายนนกก็จะค่อยลดลงไปแตการควบคุมที่จะเกิดจากตาใครอจะผ่านมาทางตาทุกคนท่านผู้ฟังผ่านมาทางตาได้การที่จะถูกควบคุมจากสิ่งที่มาทางหูใครอจะผ่านมาทางหูทุกคนะท่านฟังทีวีบ้างวิทยุบ้างโทรศัพท์มือถือบ้างการควบคุมที่จะผ่านมาจากทางลิ้นนะทุกอย่างนะที่มันจะมาทางลิ้นได้นะเขาโพสต์รูปขึ้นทางโซเชียลมีเดียเป็นรูปอาหารลิ้นก็โดนไปด้วยถูกควบคุมไปด้วย แต่ความสุขมีนิดเดียวตรงที่ว่ามีความสุขตรงนั้นแต่ความทุกข์ที่จะเกิดจากการที่คุณจะถูกสิ่งกึ่งหนึ่งควบคุมซึ่งไม่รู้เขาจะลากไปทางไหนแต่เขาลากแน่นอนไปทางที่มันจะเพลิดเพลินลุ่มหลงรัดรึงร่วเรา้าทําให้ใจของเรามีอิสระได้น้อยคือคนที่ถูกลากถูกลู่ถู ก, กลางไปตามตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยมีอิสระน้อยจำหวังก็เรียกว่าเป็นผู้ที่ตกเป็นทาสผูช้ชาวเคยเปรียบเทียบกับคนที่ตกเป็นทาสหรือคนที่เป็นหนี้แต่คนที่เป็นหนี้ ก็ต้องทําตามกรำของเจ้านี่แต่เจ้านี่โทรมาทวงก็รู้สึกลําบากใจรู้สึกกังวลใจคนที่ตกเป็นทาสก็ต้องถูกก็จิกหัวไปใช้ทางนั้นทางนี้นะไม่มีอิสระอยู่ตามสบายก็ไม่ได้อันนี้คือโทษของมันทต็ฝั่งโทษของมันที่ถ้าผอกว่าจิตใจของเราเป็นไปอย่างนั้นเนี่ยเราจะทําสมาธิไม่ได้เราจะทําให้จิตเป็นอารมณ์เดียวไม่ได้เราจะทําให้จิตพอที่จะนิ่งๆดูอะไรที่มันเป็นธรรมชาติของมันสักอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยไม่ได้เลยแต่ถ้าอะไรที่เรา มีความหลีกออกจากกามบ้างมีความคิดในการที่จะหลีกออกจากกามทั้งทางตาหูจมูกลิ้นกายมีความคิดในการที่จะหลีกออกจากกามที่มันรัดรึงอยู่ในหัวใจของเราเนี่ยไอ้ความคิดที่จะหลีกออกตรงเนี้ยอันนี้แหละดีอันนี้มันจะทําให้เราเกิดความวางะวางได้ไรวางในเรื่องความสุขทางตาทางหูตรงนั้นวางความที่จะถูกยึดถือทางตาทางหูตรงนั้นแล้วมาหาอะไรมาหาความสุขในภายในความสุขในภายในที่จะเกิดชื่นจากข้างใน มันเป็นสิ่งที่เกี่ยวเนื่องโดยภายนอกน้อยลงอยงเช่นความสุขที่เกิดจากในภายในความสุขที่เกิดจากปีติสุขความสุขที่เกิดจากการที่เราปฏิบัติตามศีลคนที่ปฏิบัติตามศีลแม้รักษาศีลได้ศีลใครรักษาเราก็หนึ่งมารักษาให้เราได้ไหมไม่ได้นะเราจะฆ่าสัตว์หรืเรอเราจะไม่ฆ่าสัตว์ใครทาก็ตัวเราทําเองเราจะโกหกหรือเราจะไม่โกหกมันอยู่ที่ปากเราปากใครคุมก็ใจคุมเพราะใจคุมปากไม่ให้โกหก ใจคุมกายไม่ประพฤติผิดในกรรมใจคุมกายไม่ให้ค่าสัตว์ใจคุมกายไม่ให้มีการลักทรัพย์ใจมันสบายใจมันสบายมีความสุขตรงเนี้เกิดขึ้นที่ไหนในใจของเราคุณอื่นเอาไปได้ไหมไม่ได้เลยเราจะถูกบังคับควบคุมจากสิ่งอื่นน้อยลงลดลงแต่ความละเอียดปรนนีตตรงนี้มีมากขึ้นอยู่ที่ไหนในใจของเราอยู่ในใจแล้วคนอื่นเอาไปได้ไหมเขาไม่สามารถจะแหกอกคุณแล้วเ อ, เอาตรงนี้ไปได้เลยไม่ได้มันอยู่ในใจค่รักษาตัวเราเอง ถารักษ า, ายอย่างนี้ไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆความละเอียดประณีตตรงนี้มีมากขึ้นความละเอียดประณีตตรงนี้มีลึกซึ้งขึ้นความละเอียดประณีตตรงนี้มีความแจ่มชัดมากขึ้นแล้วเนี่ยเราจะเป็นผู้ที่เป็นอิสระจากสิ่งที่เป็นภายนอกอิสระจากเครื่องผูกคือตาหูจมูกลิ้นกายใจอิสระจากเครื่องผูกคือคนนั้นคนนี้แต่วความเป็นอิสระตรงนี้เราตัดสินใจได้ว่าเราจะทําสิ่งได้ในชีวิตของเราตรงนี้เป็นความสุขชนิดที่ว่าละเอียดประณีตกว่า ลึกซึ้งกว่านุ่มนวลกว่าเราเลือกได้ในการที่จะทำอย่างไรหรือจะไม่ทำอย่างไรแต่คนที่ยังถูกการเผารนยังถูกการเคี้ยวกินอยู่เนี่ยเขาจะเลือกไปในทางอื่นไม่ได้เขาก็จะต้องเลือกไปในทางตาหูจ ม, มูกลิ้นกายทางใดทางหนึ่งในทางที่เขาเลือกก็จะมีแค่นี้แต่สำหรับคนที่มีความสุขในภายในคนที่พ้นแล้วจากเครื่องผูกต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเขาสามารถที่จะเลือกได้มากกว่า จะเลือกความสุขในภายในมีตั้ง6 7ขั้น8ปดขั้นจะเือ ก, การกระทําทางกายที่มันดีก็มีตั้ง3อย่างจะเลือกการกระทําทางวาจาที่มันดีก็มีตั้งสอย่างแต่ใจความสุขก็มีอีกหลายอย่างแต่มีทางเลือกมากกว่าแล้วเป็นทางเลือกที่ดีกว่าแต่สมมุติถ้าเขาเอาทางเลือกไม้คุณ2ทางอันนี้ก็ลงนรกอันนี้ก็เป็นสัตว์เดรัจฉานโอ้จะเลือกไหมเนี่ยมันเป็นทางที่ไม่ดีทั้งคู่เลยโยมมันทิ้งไปแต่เพราะมันเป็นสิ่งไม่ดีแต่ถ้าจะให้เราเลือก แล้ว เ, เลือกทางดีอันนี้คือสวรรค์อันนี้คือปรมโลกอันนี้ความสุขที่เกิดจากในภายในอันนี้คือเรื่องเมตตาอันนี้คือเรื่องเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อันนี้เป็นเรื่องกรุณาโอ้มีทางเลือกให้เยอะแยะเลยดีๆทั้งนั้นเลือกตรงไหนก็ดีถามว่าจิตกุณมีกําลังพอที่จะเลือกตรงนั้นไหมจิตคุณมีกําลังพอที่จะเห็นทางเลือกอื่นๆที่มันไม่ใช่แค่ตาหูจมูกลิ้นกายหรือเปล่าไห น, นเราจะมีกําลังเห็นตรงนั้นได้คุณต้องมีความออกจากกามตรงนี้นิดหนึง่ง อย่าตาบอดให้ลืมตาให้เปิดตาลืมตาเปิดตาตรงนี้อยู่ข้างไหนลืมตาเปิดตาตรงนี้ดูเข้าไปข้างไหนเพราะว่าถ้าเราลืมตาเปิดตามาฟังเสียงมาดูภาพมาลิ้มรสอาหารตรงนี้เขาเรียกว่าเปิดให้มันเวอะเปิดให้มันแหวะแหว่ออกเปิดออกก็เจ็บมาสิเป็นแผลแต่เปิดตาคือธรรมะทรรฝั่งธรรมะจักสุเปิดตาคือธรรมะดูที่ไหนธรรมะอยู่ที่ไหนธรรมะอยู่ในใจของเรา ดูให้มันลึกเข้าไปซึ้งถึงข้างในใจว่าใจของเราเนี่ยมันมีส่วนที่เป็นธรรมชาอยู่แน่นอนใจของท่านผู้ฟังทุกคนและมีจิตที่เป็นประพัดสอนอยู่มีจิตที่เป็นอารมณ์เดียวอยู่มันอยู่ตรงไหนเราพยายามหาดูให้เห็นเราจะหาดูหเห็นได้ต้องดูเข้าไปข้างในอย่าให้ตาของเรามันเบลอว่าอยู่ข้างนอกอย่าให้ตาของเรามันไปตามสิ่งที่เป็นในต่างกามให้เราทวนกระแส หลีก่ออกจากกามการทวนกระแสการหลีก่ออกจากการ ม, มองดูข้างในเราจะเห็นสิ่งที่เป็นอารมณ์เดียวสิ่งที่ประพัสสอนสิ่งที่เมื่อเราเห็นแล้วรู้แล้วตรงนั้นแหละจะเป็นที่พึงได้นั่นคือเห็นธรรมะผู้ที่เข้าไปรู้ผู้ที่เข้าไปเห็นคือใครก็คือผู้ที่ปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบแล้วการรู้การเห็นตรงนั้นก็คือพุทธะพุทโธอยู่ในใจของเราหมดให้มันรู้ให้มันเห็นธรรมะที่เกิดขึ้นในใจโดยการที่ใช้ใจของเรา ผู้ที่เป็นการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้มีความรู้คือพุทธพุทโตอยู่ในใจการปฏิบัติขอเราที่เป็นไปอย่างนี้มันจะทําให้เป็นเครื่องตวนกระแสทวนกระแสของตัณหาตวนกระแสของกิเลสเป็นเครื่องที่เปิดออกคลายออกคลายความรัดรึงคลายความยึดถือของเจ้าอาวิชชาเปิดออกให้สว่างให้มันแจ่มแจ้งทําความมืดของอวิชชานี่ให้มันดับไปได้เราพิจารณาเห็นดูให้ดีแตนะ่ใช้สติของเราเนี่ยที่ตั้งขึ้น เราพยายามตั้งส ikka, ติขึ้นมันจะเป็นไปในทางนี้เราพยายามที่จะตั้งสติขึ้นโดยการที่ใช้เครื่องมืออย่างใดอย่างหนึ่งเครื่องมือในที่นี้เราจะพูดถึงลมหายใจก็ได้เครื่องมือในที่นี้เราอาจจะพูดถึงการระลึกถึงบรรลุชาติก็ได้เครื่องมือในที่นี้เราอาจจะพูดถึงเรื่องของสีของเราก็ได้ใช้ทุกวิธีต่างดําเนฝังใช้ทุกวิถีตาในการที่จะตั้งจิตของเราให้มันขึ้นได้ใช้ทุกีตาในการที่เราจะมีสติให้คงอยู่ได้สตินี้ที่เรามีนั่นคือธรรมะนั่นเองแต่ธรรมะอยู่ในใจของเรา อยู่ในกายของเราอยู่ในสิ่งที่เราเห็นอยู่ในสิ่งที่เราได้กินเราเห็นสิ่งใดได้ยินสิ่งใดรับรู้สิ่งไหนสิ่งนั้นคือปัจจัเป็นธรรมะที่เราเห็นได้ตามที่เป็นจริงอยู่ได้นั่นเองก้าพเจาพระมาภัยบุญอภิปุโนจากวัดป่า ด, ดอนหโศเจันทบุรี